ศาสนามีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็ยนาสนาบกผู้ปฏิบัติศาสนาโบกข้องในที่ใดที่นั่นก็ร้อนอศาสนาไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะขณะใดมีศาสนามีก็ิตมีปัญญาพิจารณาักษาใจอยู่ใจก็เย็ยน ในขนาดที่ปราบปรามกับโตนผู้ร้ายภายใน จ, ใจิตใจซึ่งเราเริ่มปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะส่วนมากมีแต่แพ้มันแต่ก็ยังดีเรายังมีกำลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้กต่ยังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีกว่าที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจ เป็นขั้นขันขนความยุ่งยากความลําบากในการปฏิบัติแต่พ่ออย่างยิ่งกว่าคือเบื้องต้นมันยากไปอีกแบบนึงคือยากไม่เห็นต้นเห็นปลายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะจักสําหนับตําราลิคูบาอาจารย์ท่านสอนเพราะพอูปลาปลาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้แหละยาก ความที่อยากรู้อยากเห็นของมีกําลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้มีก็ดวดร้อนอันหนึ่งนี่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจพุ่นยังไงความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้นต่างแต่หมายถึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามก็เดือดร้อนเสียใจมันคือหน้านั่งน้ําตาล่วงอยู่ก็มีมาตำหนิตัวเองนั่นแหละว่าอํานาจว่าศนัาน้อย มามาบวชแล้วก็นักศาสนาท่านเบาๆมานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้ยิ่งนั่งจม อ, อยู่กับกองทุกข์มันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งแต่ผลลายได้โดยไม่คํานึงถึงงานที่ทําว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกําลังเมื่อไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหากเราคำนึงถึงการปฏิบัติของเรา ในงานทังเราที่ทําว่าถูกหรือผิดบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นและความอยาก น, นั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางอันนี้ภาวนาไปกําหนดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นนักผลหมนิพานถ่ายเดียวซึ่งคาดเอาไว้นั่นเองนี่ย์่ววันจะเป็นอย่างนั้นพรมโลกจะเป็นอย่างนี้นิพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเดาไปแล้วความอยากมันก็ดุลแรงอยากรู้อยากเห็น จากพ้นทุกแต่า ก, การปฏิบัติมันไม่ก้าวมันจะอยากจะ ย, ยืนอยากมิสิสงยืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาอะไรกัมันไม่ทํางานกับภาวนาอมีแต่ความอยากเดินจงครมมีต่มีแต่ความอยากลืมงานที่ทำมันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไม่เป็นไปตามจิดที่หมายแล้วจะจะถึงจุดที่หมายได้ยังไงมีเคยเป็นมาแล้ว ลำบากตอนนี้พอนากพุโทโธพุโทโธเนี่ยพะพุโทโธดึงความอยากมันไปแทกเข้ามามิเตอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันเลยเพลินไปกับความอยากจนมันลืมงานเจ้าของแ้ะทีนี้ผลดูท่ามันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความเดือดร้อนเสียใจ นนเป็นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับปิตที่มันเสื่อมไม่ปิเสื่อมร้อนมากจริงๆก็เคยเห็นเหตุเห็นผลเคยรับความสะดวกสบายสงบเยือกเย็นภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานด่างชัดเจนแต่แล้วก็มาเสื่อมไปเสียปิตินี้ร้อนมากจริงๆร้อนจนเชื่มีที่ยับที่ยั้งดีอยู่อย่างหนึ่งด้วยว่าย่อร้อนมันก็ไม่ถอย มีแต่จะเอาให้ได้ท่าเดียวถ้าหาว่าจิบถอยหรืออ่อนกําลังลงมาเสียหรือทอดอะไรเสียอันนี้มันก็หมดท่าหมดหวังเลยแหงนี้ยังดีที่จิตมันไม่ถอยมันจะจะเอาให้ได้อย่างาอันนี้ก็ที่มันเสื่อมลงไปแล้วมันกลับตัวไม่ได้เพราะความอยากนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะความความอยากใหามันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่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 มีแต่ความเสียใจนั่งอยู่ในร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความอยากนั้นนะความเสียใจที่สมบัติั้งต้นที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกําลังรุนแรงมีที่ไหนก็ไม่สบายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงทุกข์ก็ทุกอย่างนั้นนะไม่ไม่รู้ทางออก อยากก็อยากนั่นอ่ะไม่รู้วิธีการที่จะทําให้มันกลับมาได้มีแต่ความอยากความอะไราอาวรณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปลกลาดอาจารย์ภายใจิตใจแต่ได้หายไปเสียมีแต่ความเลียใจเต็มหัวใจอันนี้ความอยากเฉยมันก็ไม่สามารถที่จะยังทําที่หายไปนั้นคืนมาได้ถึงกระทั่งมันหมด อะไรตายอยากต้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องกระทอดทุระเองถอดทุระลงในหน้าที่อันเดียวท่านนี้เรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็ อ, อยากมานานแล้วทุกกระทุกแสนทุกพระความอยากก็ไม่เห้ทำอะไรจะ่นี่ใหม่เอาไว้แล้วปล่อยมันเที่งไปหมดมรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวอาจารย์พุโทโธท่านนี้อยู่ในที่ใดๆก็ตารทีไม่ยอมให้เถอนเอาพันจะไม่รู้จริงๆหรือ ปไปไหก็เป็นอพอทอดคุณล้นแล้วความความอยามันก็ไม่รุนแรงที่ีความทุกข์นั้นค่อยเบาลงไปตั้งหน้าทํางานอยูไหนก็พุทโท ย, ยงั้นแหะคือนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั้งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมมือเป็นนิสัยจริงจังเดินปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เผลอพยายามอยู่งั้น่ะปัดกวาดลานาดัลนมัดลันมาปันนี้พยายามระมัดระวงังถึงเผลอไปชั่วขนะ มันก็ทันกันมันก็รีบเอากลับมาได้มีถูกต้องแลวทีนี้พอทอดทุลาแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยมันก็อยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมหรือภาวนาพุโทโธนอย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็พุดแลแต่พุโทโธจะโดนบรนดาลให้นี่ก็นึกถึงจนกระทั่งจิตมันลง เมื่อมันลงแล้วพุโทโธว่าจาเป็นปล่อยสักทีนึงีนี้มันลงแล้นเองอะแต่ก่อนมันไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วกับคำว่าพุโทโธนั่นมันก็ไม่จําเป็นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้นั้นแหะพอถอนออกมาก็เอาพุโทโธอัดเข้าไปไม่หวังจะเกิดอะไรก็ไม่หวังเป็นผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นเห็นโทษในความหวังแล้วพี่ คำหลังแบบเปาๆแบบมันมีเหตุมีผลแบบไม่ทํางานเอาที่นี่จะทำแต่งา so นทำแต่งานถึงเมื่อได้ร <Baum. S 2> ับการบำบ u l o การรักษาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปจงกระทั่งถึงระดับเก่าอือทีนี่แปกแล้วนี่เอาถึงระดับเก่าก็พอดอะไรไวาอย่างนั้นอีกเช่นกันอ่า มันจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยต้านทานพอแล้วมันไม่เห็นได้เกิดประโยชน์เสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่พุโทโธจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมนั่นจรงแน่วแน่ลงไปโดยลำนักแ น, น่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับนั่งขึ้นไหนก็สว่างเบาจิต เ, เบาใจโล่งไปหมดอ่ะทีนี้ไม่เสื่อม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 เคยหวังแล้วไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุโทโธตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกข์มากจริงๆแต่เดช่าอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยนี่จะเอาท่าเดียวเนี่ยพอพนพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยเยอะอยู่จะดีกว่านี้ก็เป็นนั่นหมดไปเลยไม่มีแล้วจากนั้นมากัน ด้อยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปส่วนคําบริกรรมพรานาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นแ่ะความรู้นั้นอ่ะมันเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วโดยไม่ต้องอาศัยคําบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนมันรู้เองอ่ะที่นี่ไม่บริกรรมก็ได้พอเด่นก็เวลากําหนดตรงนั้นเลยไปไหนกําหนดอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้น เหมือนกับเรากาหนดดูกับพุทธโธอันนี้เป็นฐานจิตได้เป็นอย่างดีแน่ใจเจ้าของว่าหนึ่งฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมั่นคงกว่าที่ที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงอันก่อนนั้นสองการกาหนดความรู้นั้นเมื่อความรู้เด่นดวงแล้วกาหนดอันนั้นไม่ลดละกาหนดเช่นเดียวกับกาหนดภาวนาพุโทโธละเอียดลงไปละเอียดลงไป มี่เป็นฐานของกิจเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละถึงเล่งใหญ่นี่ตอนจะนั่งตลอดลุ่งนั่งจากนี้แหละจริงเริ่มนั่งตลอดรุ่งกำหนดกันลงไปกำหนดไปลงไ ป, งไปทีแรกมันก็นลงเพราอมันเคยลงมันลงนง่ายคําว่ามีหลักมีฐานอันดีกำหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนา อันใหหลวงมันยังไม่เกิดมานะพอน้นานก็สงบพอมันถอยขึ้นมาเนี่มันก็หลายชั่วโมงก็ไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนั้นล่มไปหมดฐ <c oughs> านดีๆนั้นล่มไปหมดเหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนขับคนร่างกายชันไปหมดทั้งตัวนี่แหละตอนในข้อตะลมบอนกันในเบื้องตน้นเหตุที่จะได้อุบายสาคัญนับนั่ขึ้นมา ตอนทุกขเวทนาคือคือนวันนั้นก็ยังไม่ไตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ได้ตั้งสัจจะที่าในใดเลยนั่งธรมรมดาธรรมดาแต่เวลาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ๊ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุหผลประเวทนาหน่อยถือวันนี้เลยตั้งสัจจะในขนาดนั้นเลยอ้าวถ้ามาถึงเวลานั้นไม่ดุกถึงเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่วันนี้จะพิจารณาทุกขเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันทันที ไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายก็ผีไม่รู้ว่ะขุดกันลงเลยทีนี่นี่ตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญามจะมีความแหลมคมเวลามันไม่มีทางมีทางไปจริงจิงมันหมุนเติ้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลา จ, จนกรอบปัญญามันเกิดคนเราไม่ใช่งโง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีช่วยตัวเองได้จนได้เหละขุคน้นถึ ง, ง น, นึ่ทุกเวทนาคิดเห็นเวทนาเกิดขึ้น มากมากนี่มันเป็นไฟไปหมดที่แรกมันก็ออกร้อนทำหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทณาใหญ่ตัวอะไรเลยเวทนาใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันนี่ที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นจนกระทั่งกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออกไปมันพอๆกันเวลาทุกเวทน า, าพอๆกันทั่วๆไปหมดทั้งร่างกายนี่พอๆกันหมด ไม่ทราบจะไปยับยั้งที่ตรงไหนที่ไหนก็มีแต่กองไฟคือความทุกข์อีกก็ขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มันมากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นละ่ะจับจุดนั้นไว้เลยแยกทุกขเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่าเวทนานี่เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข์ ถามสกุลอาการชนต่างๆอาการต่างๆต่างอันก็ต่างหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นมีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ปรากฏว่ามันเป็นทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดติดต่อกันมาเหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี้กําหนดลงไปอวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นฝ่ายรูปนั่นก็กินใครกิงมันอย่างนั้นถ้าทุกเวทนาเวลานี้มันเกิดอยู่ตรงไหนถ้าว่าิญญานี้เป็นเวทนาทั้งหมดทําไมมันมีจุดเดียวที่มันหนักมาก มันแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่นานนะมันวิ่งตลอดหมุนเตี้ยวเตี้ยค้อนลงมนสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายแล้วดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายอย่างนี้ถึงตัวเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรจิตก็ไม่เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนรสาำระายอะไรนักแต่ความทุกข์ในร่างกายนี่ชัดว่าทุกข์มาก มันก็เป็นธรรมดาของกิเลสมีอยู่มันต้องเข้าประสานกันแต่แม้เช่นนั้นจิตถ้าเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนผุดค้นกันลงไปจนกระทั่งเห็นกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้ไปหมายไปสําคัญเวทนาว่าเป็นนั่นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี้นี่ล้สรุปไปเลยนั่นเนี่ยแต่มันเล่นกันอยู่นั้นไม่ทราบกี่ชั่วโมงมนะตลุมบอล พอมันชัดเขจริงๆแนละ้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือศัก์แต่ว่ากายกินของมัน อ, อยู่แคนั้นเวทนาศักดิ์เนเวทนามันหายวูบเข้าภายในจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตนี้รหว่างหมดทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมดนี่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 เพื่แต่ความสักจะวรู้จะแบบคิดแบบปรุงเป็นอย่างนั้นปรุงไปนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเมื่อไห่ปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยื่อะไรทั้งนั้นแนว่วความทิ่แน่วอยู่โดยลำพังตนเองคือจิดดตล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชานะคืออวิชามันก็แนบไปนั้น น, ะนั่นแหะเพราะจิตยังไม่ถอนต่ออวิชาแวมันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชาซึ่งไม่ออกไปทาปํางานปุ๊บเนี่ยสงบตัวนั้น เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดทุกเวสนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือศักจะว่าปรากฏเท่านั้นเราพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้ศักจะว่าปรากฏสิ่งที่ศักจะว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นมันก็อยู่ประมั่นชั้นแนว ไม่ขยับขยื่อนภายในจิตใจไม่กระเพื่อมไมอะไรทั้งหมดแน่วตรงกระทั่งพอเกิการแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมาเหมือนกระเพื่มยัดแล้วหายเงียบไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราไปหมายไม่ได้ถ้าไปหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดิบพอดีมันเองกระเพื่มยับนี่มันก็รู้พอกระเพื่อมยับมันก็ดับไปพร้อม เขาเดียวกระเพื่อมก็อีกยับอีกหายไปพร้อมแล้วค่อยถี่เข้าถี่เข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่ได้ถอนทีเดียวมันมันมันมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่อมคือทั้งขาหมันปุ้งยักขึ้นมาหนึ่งแล้วหายเนียยังไม่ได้ความหมายอะไรเลยเพียงกระเพื่อมยับระดับไปพร้อมแล้วทั้งเดี๋ยว ยับขึนแล้วก็ค่อยๆีเขาพราทีเขาถึงวาระสุดท่านรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเงียบเวลาปิถตาขึ้นมาแล้วเวทนาเขยังไม่มีหายเงียบนี่ได้หลักที่นี่แน่ใจเกิดความพิศจันวันได้หลักในการต่อสู้ทุกเวทนานี้ได้หลักเบื้องต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกเหมือนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้ๆ กายเป็นหนึ่งต่างหากทุกเป็นหต่างหากจิตเป็นหนึ่งต่างหา ก, ก, นหนตาหากแต่เพราะความลุ่งหลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าพันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งทั้งดวงถ้าจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟเหล่านี้มันเกิดไปตามธรรมชาติมันมาตามแต่เมื่ออามาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อนน่ะเพราะความสําคัญนี้เองไอ้ก้อนรู้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 อ, อุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาลูกครั้งแนั้นมากแก้ครั้งนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสดๆร้อนๆเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะในคืนได้อังนั้นลงได้ถึงสามผลอย่างเอากันอย่างตะลุมบอลนะ่ะถึงสามผลพอดีสว่างโอ้ยเกิดความอาดความหานลื่นเ ร, ริงไม่กลัวตายทุกมันจะมีมากมีน้อยเท่าไรก็โทุก ก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบบไปหามันเสียเท่านั้นทุกก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรนานจริงมันรู้ทัากายมันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันก็ไม่มีความหมายในตัวของเราดีนอกจากผิดเราไให้ความหมายมันแล้วก็กอบไปเทุกข์มาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างไรมันชัดจริงอ๋พอตื่นข้างมานี่ใหม่มันข้าวหานอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ มันเกิดความห้าวความหานอะไรพูดไม่ถูกเพราไม่อาจารย์เราไม่เคยเห็นอาจารย์แบบนั้นท่างแต่เราปฏิบัติมาเราไม่เคยเคยเป็นอย่างนั้นมันขาดวักขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมฆะข้าหานรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบตัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอ่านหาัว่าเราได้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วห่ะมันรู้ทันถึงจะเป็นขึ้นคราวหน้าคราวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าพือทุกกระทุกหน้าเก่า กายก็กายอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยท่าอยู่เนี่ยไม่กลัวตายจน ถ, ถึงเกิดความอะไรเจ้าเป็นโลกเรียว่าท้าทายกันเอาเธอพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้แต่ทํำมันไม่เป็นอย่างนั้นมีเราเทียบเปรียบเทียวพิงคาตายก็เอาเธอว่างนั้นจเจ้าทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์นี้มีอยู่ในขันเท่านั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันแล้วในขันจะออกมากน้อยหนักเบาขนาดไหน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 ว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลยมีแต่วความบอบช้ำภายใน จ, ใจิตใจหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างเด่นทุกคืนจนกระทั่งกับเรื่องความตายนี่ ม, มันไม่กลัวะจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแกะลงไปจนกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตาย ผลผลได้ฟันหลังเมื่อเองก็ดูนี่เป็นส่วนท่าดินท่าดินมันเคยตายเมื่ อ, อไหร่สลายลรื่องไปแล้วเป็นยังไงกำหนดตามก็แนวลงไปสู่ทา่าเดิมของมันท่าน้าําก็แนวลงไปสู่ท่านน้ําตามเดิมท่านลมท่านไปลงไปสู่ท่าเดิมของตนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรคลิบหายมีตะเพียงมาท่าเหล่านี้มาประชุมหรือมาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอาศัยกิจเข้าไปสิงติตัวเจ้า มหาหลงนี่เขาไปสิงเขาฉะนั้นเขาไปแบกอมหมดนั่นว่าเป็นตัวของตัวไปจับจองอา น, นั่นเป็นเรานี่เป็นของเราจรึงไปกรอบกลัวทุกนะด้วยความสําพันธนั้นขึ้นมาเผาหล่นตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะั่ตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษน่ะธาตุนะาขันเขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวฆ่าสึกอะไรแก่เราเลยเขามีความคิดของเขาอยู่นั้นแต่เราไปแบกไปหามไปทำขัญต่างหาความทุกข์จึงเป็นเราเป็นผู้ผิดขึ้นมาเองสิ่งอนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะ่ะ ไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แกเรามันเข้าใจเราเองเป็นความสําคัญผิดต้องเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์ก็คือความต้องการผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขมาเผารว่มจิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุพิจารณ า, าลมไฟลงถึงธาตุเดิมเขาเต็มส่วนแล้วจิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายตังไหนตายอะไรตาย อาการหนาแน่นมันก็ไม่ตายถ้าถือดินน้ําลงไปก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายาปไหมจิตยิ่งรู้ยิ่งเด็นยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรนี่หลอกกันนะหลอกกันมาตั้งกับตั้งกันคําว่าหลอกนั่นหมายถึงด้ยวยเกียรตนาหลอกเพราะความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมันกลัวโรคกลัวตายกลัวเพราะเห็นนี่เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ทราบอะไรตายมันไม่มีอะไรตาย ต่างอันต่างกินอีกเพียงเท่านั้นรู้ทัดเจนกิจมันก็อาหาญเห็นความมหัจรรย์ทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงจิงทั้งทที่ทุกเวทนามันเหมือนจะส่งเปลียไวไปถึงเมฆนี่ความทุกข์ความร้อนเป็นปุนเป๋เมืองไฟภายในร่างกายแต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอํานาจของสติกับปัญญา อย่างราบไมนมีอะไรเหลือเลยร่างกายก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยเแลอแต่ความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่ในกลางอากาศแต่เราไม่ไปเทียบเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินน้ำลมไฟมันไปไม่สัมบัติสัมพันธ์คือหมดความรู้สึกจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจากร่างกายทุกส่วนแล้ว เพื่อแต่ความรู้เวยลาพังตัเองด้วนล้วนเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้ที่อาชจรร จ, จากการที่นานรอบพอมแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นทัดเจนน่ะอาชจรรย์ถ้าลงกใกจิตได้ถึงแต่เป็นเชนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกีค่คืนก็ตามมันก็มีความหมายถึงเรื่องทุกเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับหรือจะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ไม่มีในขณะจิต เช่นนั้นเนี่มันก็ทําให้ยังถึงเรื่องพระสาวกหรือพระกุฏยกาวหรือพระปฏิเสธบุตรยาท่านเข้าสามนิโรธสามบัตรเจ็ดวันท่านนึ่ 7, 000, 000, ออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าตรงจิตไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรเลยหรือแต่ความรุนรวนทึ่งศักแต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะนั่งอยู่ตั้งการตั้งการเขานั่งเธองานไม่มีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างการมัน มันทนไม่ไหวมันจะแตกก็สลายไปเฉยๆเนี่ยโดยไม่กระทกระทือนงธรรมชาตินั้นเลยนี่จิตมันยอมรับเนี่ยเชื่อมาทันขาอนี้โหลดสมาบัติได้สมาบัติได้ถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวออกมาสู่อะไรอะไรแล้วเข้าไปมันเป็นอยู่นั้นกี่วันกี่เวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวลาเนี่ยร่างกายมันจะพี่ทุก์ที่ไหนมันไม่มีเลยร่างกายมันมีในความรู้สึกเทวนาเขาอยู่ในความรู้สึก แตความรู้ล้นล้วนออนั่งเรออาตั้งกับตั้งการก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะ่ะนี่ก็ทำให้เชื่อถึง เ, ร, เรื่องพระพุทธเจ้าท่านเข้านิโรมบัติโดยเถือนนี่เป็นหลักฐานยืนยังแม้เราจะไม่ได้นั่งในนานก็ตามแต่ขนาจิตที่มันสงอบตัวขนาด น, นั้นทั่วะยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพานได้กับท่านที่เข้าสู่นโรธธบัตได้เป็นเวลานาน เพเป็นลักษณะนี้ว่างนั่นเลยลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายสมมุติว่าร่างกายเปื่อยพังไปหมดมันทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นนิจงทุกขังาตามันก็เปื่อยไปเฉยโดยที่ว่าจิตอ น, นั้นไม่ไม่ได้รับทราบเลยนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นขั้นที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอารมณ์สมาธิคือจิตจนแนี่ลงไปถึง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 ก็ต้องสงบเต็มที่บางที่เห็นเห็นนี้นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจหารหรือเป็นเชื้ออันสําคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตว่าอะไรจะสูญสิ้นไปหมดเพียงไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเจนเห็นก็เห็นกันอย่างชัดเจนในขณะที่ไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกนั่นแหละ มีสัพพะูุ้ลอันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะนีะนะ่แต่ว่าขันสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตมันเปน็นเป็นอย่างนั้นนั้นมาก็ เ, เ, เรื่อยเรื่อยพิจารณาเลยออกทางด้านปัญญาจนถึขายขายขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ย่นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลาดับํนาดาแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาย่นเข้ามา เข้าวงแทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราตึงท่าตึงขันแยกท่าแยงขันที่นี้มันจะมันจะเป็นสมมติเหตุต่อประธารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมาอันนั้นมันมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานดินกันได้เท่านั้นในเวลาที่เราพิจารณามันจะไม่เด็ดขาดไม่เป็นสมมติเหตุต่อประธารในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญานี้มันเข้าใจชัดชัดแล้วมัน มันขาดถอนอกกนดดอกจากกันขาดออกจากกันขาดกันเป็นลำหนักๆขาดไม่มีชิ้นต่อขาดไปโดยลดำหนับๆเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด็กรู้ก็ขาดไปจากความยึดมั่นโดยธานาสัญญาสัขงขารวิญญาณขาดจากความยึดมั่นถือมั่นคือความยึดั่นถืมั่นนี่ขาดจากเขาก็ถูกเล่ไงาขาดไปเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้คือจิตข่าววิชาสังจมอยู่ภายในนั้นค้นเข้าไปตีให้แหลก ฟันให้หลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันสมยัยนั้นก็แตกนี่พอนั้นแตกไปแล้วหมดความอัศจรรย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดน่ะรู้แล้วสินเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นเชื้อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำดับนั่นแหะหรือว่าเป็นกระพูดธเจ้าฝ่ายบดีก็ดี แต่ถ้าเราจะมุ่งถึงทำมันละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับอวิชชาะมันจะดีแท้ไม่ใช่ดีที่บริสุทธิ์ดีเจ้ปนอยู่กับชั่วกับทุกทุกมันจะมีทางเกิดได้หรือเพราันจึงต้องจะดนในเข้าไปอยู่ที่จนแรลกละเอียดภารกิจอะไรที่เป็นเชื่อที่จะให้มีความแปรแปรปนอยู่ทางกิจชําระเอาให้หมดแก้หมดฟอกให้หมดจนไม่มีเหลือแล้วหมด จุดหมดดวงถึงสมมุติน right. <But S 2> <n> ิยมว่าอ <mig> ันนั Will, ้นอันนี้หมดแล้วแตความรู้สึกบริสุทธิ์ต้นรุ่นนี้จึงไม่มีสมมุติหมดโดยประการทั้งปวงนั่นหมดแท้แต่ว่าอาจารย์หร้นไม่อาจารย์เราไม่รังพูดพูดไปทาไมมแต่การกล่าวมาท้งนี้ มันยากหรือไม่ยากก็ขอพิจารณากันถึงขั้นจะจเสศสลายบางครั้งมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยขนาดที่เวทนามันก็าสหาหัสจริงๆเหมือนก็จะเป็นไฟทั้งร่างกายนี่หลยแต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วกินไม่จนกรอบถ้าเรานํามาใชา้คนเราไม่ได้โง่อยู่เสมอไปเมื่อถึงถ้าจนกรอกแล้วต้อง ช่วยตัวเองไปจนได้เน่ยใครจะยอมให้จมหรือเฉยทั้งทังที่สติปัญญาก็มีพอพอจะแก้หรือ ม, มีช่องทางพอที่จะเล่นรอดออกมาได้พอที่จะบุกบือนไปได้ใครจะยอมตายจมหรือเฉยจงผู้ือเฉยต้องหาทางออกจนได้หนี่งเมื่อทุกเวียนนามันเข้าเข้ามาแล้วมีทางใดที่จะแก้ทุกเวียนนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าอย่างนี้จนมีช่องออกจนได้นานปัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อเป็นนักที่สูดน์นักพิ จ, จรารณา ถึงคาจนกรอบแล้วมันรวมตัวกันมาเองช่วยไปเนได้พระพุทธเจ้าท่านเพงสอนให้ปฏิบัตในที่สำคัญสาคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั่นเองตุ้นง่ายเพลินเฉลีดลยสติปัญญาจะได้ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มโมลแต่ผูดต้งการสถานที่นั่นก็ช่วยผิดปัญญาเกิดได้ถ้าอยู่ในที่กลัว สติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจนาอะไรมันก็คล่องแคล่วแก้วกล้าถ้าไดย้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ยดยงนั้นเป็นธรรมดาขี้เกียจมากอืดอาดเหนื่อยนายอยู่สถานที่ไม่กลัวกับความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทอีกล้นอนอยู่เหมือนหมูอีกแล้ว อฐานสถานที่กลัวนี่มันตื่นตัวตลอดเวลาคิดเมื่อความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวมันก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติสติปรากฏอยู่กับตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเทียงอยู่เสมออะไรจะมาสัมผัสสัมพัสเรวก็เข้าใจเข้าใจเพราะคําไม่นอนใจสถ า, านที่ต่างๆท่านจึงสอนให้เรอยู่ มันเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องสนับสนุนความภาคเพีินเราได้ดีอยู่กุฏิสะดวกสบายดังที่อยู่อย่นี้มันโ อ, อ้ยอะไรก็ปนปลือไปหมดอาหารการขบการฉันกับล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำสม่มน้ำหวานโกโก้กาแฟอาหารหวานข้าวหลังไหลมาจาักทิศ ต, ต่างๆอินทัาผู้ไม่มีสติปัญญาต้อก็นอนกอดอาหารนี้เพ่ ระวังนะส่วนทํามันไม่มีหวังจะได้ครองเนะ่ยผมมีกติกาปัญญาจึงต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาบายฟิตตัวระวังตัวเสมอไม่นอนจัด น, นี่ก็ยังมีต้องท่าระวงังเขาไปอยู่ในที่ฉะนั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี้แล้วมันฟิตทุกมันต่ออีกแบบหนึ่งนะจะเอะไรมาเหลือเฟื้นลายก็มีแต่ขาดขาดขึ้นคืนบุบฟ่อง ข้าวบินธบารมาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่วิวิวิจารเพราะอดมากี่วันก็เคยอดไงจะไปวิกอะไรก็เพียงวันสองวันไม่ไกินอะไรนี่มันไม่ตายไยมันไปยังท่านเสียมันก็ไม่เป็นกังวลอาหารกับอะไรเหล่านี้เหมือนกันมีแต่ข้าวเปล่าเยอะแต่ไม่เห็นเป็นกังวลขอเรามาหาอย่างนี้นี่มีแล้วก็กินไปที่ไม่อะไรหากับที่ไหน ข้าวเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวัตงนตายแล้วไม่เห็นคนตายกินแต่ข้าวเป็นไรไปเรากินกับก็บ ก, บกินมาพอเลื่องเห็นวิเศษวิโสอะไรมาเนี่ยจำหาทำวิเศษจะมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินมีอย่างเรอฮะแล้วธรรมะไม่ใช่นักกินนะเนี่ยแก้งมันไปได้ปั๊บปั๊ปั๊เน่ยมันกม็มีกังวลผลสุดท้าย ม, มีกังวลนั่นผลจากการแก้ไขโดยเองแต่แล้วมันก็ฉัน ประําเรื่อแล้วเข้าทงงางกลมหมุนติ้วกันนั่งนั่งทอนาก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากมันจะไปง่วงอะไรยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยอุบายนีย่อุบายท่านช่วสอนท่าทใานไปทํานุขโมยเสนาสนางังั่งเนี่ยก็อยู่ในป่าในเขาอําเราภัยที่เปเกลียวที่น่ากลัวอาหารรัสสปายะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ ดังทันให้กำเนิดเป็นโรคเป็นภย<ม>ัยมายากรีดให้กําเริดหนึ่งเรื่องขอุอาหารสัปปายาหอาหารที่สบายเมี่เข้าเปล่าทอนาดีก็าอาหารเป็นที่สบายก็หลังกินมั่งมากนีแต่อาหารมีแจะกลับดีๆกินลงไปแล้วนอนอเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแล้วก็สบายของกิเลสมันไม่สบายคลองอัดครองทำสบายเรื่องของกิเลสเรื่องงูตัางหากเนี่ยคำอาหาสัปปายาณต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการฉัน ขัน น, น้อยน้อยมีเกิดประโยชน์ขันน้อยน้อยควมง่วงน้อนนอนมีนั่งเพาราะหน้าที่ไหนแน่วไปเลยแน่วไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาก็มุนติ้มุนไปเลยมันคล่องแก้วทำมักจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่กันดานในที่จนกรอบจนมุมไม่เกิดในที่รั้วเปือยไม่ไม่เกิดในที่พนมตื อ, อ ไ, มไม่เกิดในสถานที่สะดวกสบายมันนอนใจเท่นั้นแหละ คำสอนเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเร อ, อยู่หอประสานราชมันเชียน ม, มานานเท่าไหร่ะะเวลาเสด็จออกทรงขอนวดใครจะได้ทุกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นพุทธะก็เกิดในที่เช่นนั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศษรษฐีกุลพนนี่นั่นฟังที่ความมัม่งมีแล้วออกมาแล้วเป็นสากยบุตรพุทธนีพุทธกินรสของบริจาคแล้วอา้าวเป็นยังไงเป็นตายก็ตาย ไม่ยุ่งอย่ามุนวายกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากทําอย่างเดียวเท่า น, นั้นนั่นท่านก่อไปรับความได้รับอรัตนธรรมในที่กันดาลอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแน่เราจะเอาอันไหนจริงพระพุทธเจ้าท่านก่อเป็นมาอย่างนั้นทำมาเกิดในที่เช่นนั้นในความทับขันลําลบากลำบนเช่นนั้นทำมาเกิดกับกองทุกข์ถ้ากองทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้ชิดมันก็ไม่เกิดอืม ทำก็ไม่เกิดถี่ยทุกมีมาก็เป็นหินรับปัญญาค้นคว้ามันเห็นชัดเป็นในเรื่องของทุกก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดค น, <ห>นอารัเอีวังนะ